บันทึกที่สความหมายบางอย่างของวินัยวินัยตามความหมายว่าประมวลบทบัญญัติหรือระเบียบนั้นเรียกตามอัถกถาว่าปัญญติวินัยวินัยมีความหมายสําคัญนอกจากนี้อีกสองถึงสานัยยะความหมายที่น่าสนใจและใกล้เคียงกับความหมายที่กล่าวมานี้ คือวินัยที่ใช้ในคำว่าอริยะวินัยซึ่งเป็นคำที่พบบ่อยแปลได้ว่าแบบแผนของพระอาริยะระบบชีวิตหรือระบบการฝึกฝนอบรมของอริยชนเทียบได้กับคำว่าสุขตาวินัยซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงความหมายไว้เองว่าหมายถึงพระธรรมอันได้แก่พรหมจรรย์คือหลักการครองชีวิตอันประเสริฐ ซึ่งมีมาในอังคุตระนิกายจตุการนิบาทเข้ากันได้กับที่อัตถกถาอธิบายว่าอาริยวินัยหมายถึงพระพุทธศาสนานับว่าเป็นความหมายที่กว้างกว่านัยะที่ใช้เป็นศีลอริยวินัยมาในกาถาที่อังคุตระนิกายจตุการนิบาทนอกนั้นมาในรูปคำแยกเป็นอริยสัวินยะ ความหมายของวินัยท่านแสดงไว้ค่อนข้างครบท้วนว่ามีถึงสี่นัยยะและสองนัยยะแรกของสี่นัยยะนั้นอธกรฐาบางแห่งแยกย่อยออกไปอีกถึงสิบความหมาย